การอดอาหารเพื่อภาวนาภาวนาเพื่อความฉลาดให้สังเกตดูธาตุขันต์ของอย่าให้เนีพูดเรื่องเหล่านี้แล้วทาไปทําไปมันมักจะมีอะไรแฝงขึ้นมานะระวังใหด้ดนะีเหมือนอย่างพวกที่บางสวิรัตนะ์น่ะเห็นไหมจนกระทั่งสิึงตำแหนิงีีโทษคนอื่นยุ่งไปหมดไปที่ไหนพวกนี้ไปที่ไหนมีแต่พวกมีแต่เรื่องยุ่ยหย่ก่อกวนนะโอ้โหทำลายนะพวกนี้นะ่ะนี้ยกตัวอย่างขึ้น าอาจารย์อุ่นอำเภอท่าอุเทนเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเราเนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่กับพ่อแม่อาจารย์มั่นเหล่านี้แล้วก็จากกันไปนานเขาปีนั้นโลค ก, กันนาดเข้ามาในกรุงเทพเลยสตอนนั้นผมบวชใหม่ๆที่โล ก, กนาดพระโรกนาดเข้ามากรุงเทพคล้ายๆกับล่ำลือว่าจะเป็นพระละหันเนหะ็นไหมปู่ผ้าให้แกเหยียบี่เดินไปแล้วอาจารย์อุ่นก็เลยเอาแบบนั้นมามา สมรฐานของจะสมาทานเต็มที่หลือมะหือไม่ฉันเนื้อฉันป่ามันกรรยาธิปังสาวิราชไปถ้า น, นานเขานานเข้ามันก็เป็นทิฏฐิมานะเลยกําหนิติเตียนไปหมดเลยบรรดาพระฉันเนื้อฉันป่านี่เป็นพยักษ์พระผีพระแล้วพระกาไปหมดเลยฟังสิท่านพูดเองนะเออไม่ใช่เล่นๆนะเดินไปกรุงเทพนี่ไปครับท่านจังมาท่านงมาห้ามให้บินลำมาก ท่านพูดเองนั่นท่าจะงกรงมาห้ามไม่ใินตบัตท่าห้ามไม่ให้ท่านอาจารย์ไปบินต บ, บัตไปนี่เขาเอาหมกเอาห่อใส่บาตนี่เป็นอาหารเรานะจะโยนทิ้งต่อหน้าตตาเขาเพราะท่านทำํำกินนี้ท่านคือพอได้กิ่นท่า น, นมันมันเหม็นคาวมันอะไรไม่รู้เนี่ยท่านอาจารย์กรุงมาไม่ให้บินตบัตนั่นฟังสินี่เรื่องการอดุดเพระเป็นมังสวิรัตนี่มันมันเป็นกิดถิขึ้นมาอันหนึ่งออกมา ใ น, นนี้ก็เป็นหลักวิชาของเป็นวิชาของพระเทวราชที่เอาไปต่อสู้พระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งนั้นเราก็เห็นมันอยู่แล้วนี่ให้ยผ้าอยูุ่ข้อหนึ่งก็ให้อยู่ผ้าอยู่ป่าเป็นประจำตลอดชีวิตเข้าแดนบ้านผิดพระพุทธเจ้าก็ไมาส่งอุญาตเพราะผิดวิสัยเข้ามาในบ้านนี่มันจะเป็นอะไรมันไม่เห็นเสียหายอะไรมันอยู่แดนบ้านแดนป่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไปปล้ น, นบ้านมาปลเมืองเขาเนี่ยผ้าก็อยู่แบบผ้าที่นี่ บ้านเข้ามาบ้านก็มาแบบท่านไม่มาแบบจวนแบบมาแบบผู้ร้ายนี่นะพอถ้าเสียหายอะไรพรองค์จิงไม่ตำต่างบอกไม่ได้บัญบาทอยากให้บินฑบาตตลอดชีวิต ถ, ถ้าหยิดมรือไม่ขาดเป็นไม่ได้ตับตับโทษพรเย้าก็ไม่ทรงอนุญาตให้ถือภาพบางสกุลอย่างเดียวเท่านั้นรับคาวปฏิจีวนันเขาถวายต่อเมืองนี้ไม่ได้ ้เดี๋ยวหา้าท่าหาท่าผ้าบอลูเนาะอย่างเดียวตลอดที่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตเขาอยากทานก็ให้เขาทานตามปัจจัยแตของเขาอืผู้ใดองค์ใดที่อยากรับก็รับไปไม่เป็นสิ่งที่จะบังคับกันน่ะจากนั้นก็มาหาบังสาวิรัติห้ามไม่ฉันเนื้อฉันปลาตลอดที่ถ้าฉันนั่นเป็นผิดไม่ไดอ้อันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาห้ามอะไรเอา เราเป็นผู้ปฏิบัติเองทำอะไรจะปฏิบัติกิจะเป็นลายไปเราเป็นผู้ขอทานเขาให้มาอะไรแล้วก็กินไปตามเรื่องตำราใครเท่านั้นเองไม่เป็นการรบกวนรุ่งเรืองวุ่นให้เขารุ่งเรืองุ่นไายเขาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมห้ามอะไรเขาได้เรื่องมังสวิรัตโอ้เรื่องเนื้อสิบอย่างที่แม่ฉันเขาอง์ ก, ก็ทรงบัญญัติไปแล้วนี่แม่ เนื้อก็นับกัเนื้อมนุษย์เนี่ยฟังสิพระองค์ก็ไม่ฉันเนื้อหมาเนื้อมาเนื้อเนื้อราชสีเนื้อเสือเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเนื้องูเนื้อหมีแล้วเนื้ออะไรเนื้อทิศเนื้อช้างนี่เนื้อที่เหล่านี้ห้ามหมดแล้วที่ที่ที่ห้ามก็ห้ามแล้ว แล้วก็ยังมีมังอุริสามังสะคือเนื้อที่เขาเจาะจงอีกสามอย่างเนื้อเจาะจงคือไงเขาไปฆ่ามาเพื่อถวายพระพระเห็นอยู่ไม่ควรขันและได้ยินว่าเขาไปฆ่าสัตว์มาเพื่อถวายพระพระได้ยินไม่ควรขันแล้วก็เห็นเขาเอาอาวุธชนิดนี้ไปแล้วได้สัตว์ชนิดนั้นมาโรงกับอาวุธชนิดนี้เช่นเอาได้แห่ลงไปทอดปาปี่แล้ววันหลังเขาปลานี่ยมาถวาย เหมือนก็ว่าเขาทอดพะเขาไปไปทอดแหนกปลาเนี่ยเพื่อมาให้พระฉันก็เมื่อสงสัยอยู่ก็ไม่ควรฉันเมื่อได้ยินสงสัยอยู่ได้ยินก็ว่าพราะว่ า, างั้นก็ไม่สันหรือเนื้อสดสดร้อนๆเช่นอย่างปลาเขาฆ่ามาสดสดร้อนๆเอ๊นี่เหมือนจะตั้งใจข้ามมาให้พระฉันแต่แท้นี้สดสดร้อนสงสัยองค์ไหนสงสัยอย่าฉันแน่ท่านก็บอกอยู่แล้วองค์ไหนไม่สงสัยก็ฉันได้บอกชัดเจนอยู่แล้ว มันไปอุปโลกขึ้นอุปตลิทําไรคนนี้มังสาวิรัตน์แล้วตัวที่องค์ไหนที่ไม่ชอบไม่อยากฉันท่านก็ไม่ได้ว่านะท่านไม่ใช่พระวิชาบังคับให้ฉันเมื่อฉันป่าไปตุองค์นะคือองค์ใดที่ไม่ชอบก็ก็ไม่ฉันก็ได้หรือไม่ถูกกับธาตุฉันในเนื้อชนิดใดก็ไม่ฉันเนื้อชนินั้นท่านก็ไม่ว่าอะไรหรือไม่อยากฉันมันไม่ถูกกับธาตท่านก็ไม่ว่าอะไรมันเป็นอตามพยาสายสังหาก ท่านก็ไม่ว่าถ้าเป็นตามสายสายแต่จะมาบังคับให้ทําอย่างนี้ไม่ได้ผิดแน่ตอนอันนี้เทวราชก็เอามาเป็นเครื่องมือต่อสู้พระเจ้าจนกระทั่งล้มไปจนกระทั่งถึงอทําสังฆเภศให้สงแตกจากกันเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงอสนองความต้องการของแกนั่นเองตอตัณฑบัตรนี้ก็แตกจากกันของพุทธเจ้าแต่ก็แตกไปจะเป็นหลายศาสนาไม่ได้แตกเออประเทศเทวราชแตกตัางหา ศาสดาเป็นศาสดาทำเป็นธรรมไม่ไแตะเห่นไหมดังนเรื่องนั้น ก, ก็เห็นอยู่ประจกักษ์ชัดเจนอยู่ไม่ตำหนิศาสนาก็มีนี่นมาขึ้นอีมาอีกทุกวันนี้ก็จะเป็นอะไรไปก็เป็นวิชาของพระเจ้าทัต ท, ที่เคยทำลายพุทธิเจ้าที่เคยโจมตีพุทธิเจ้านั่นเองมาโจมตีฉัดพธศาสนาพุทธิเจ้าทุกวันนี้นจะเป็นอะไรไปเราก็สราบที่ก็เพลงเก่าอันควรเก่าอันเก่าเรื่องเก่าวิชาเก่าตื่นไปหาอะไรพิเศษวิโสอะไร ของนี้ไปไหนมันยุ่งจริงไม่ใช่เ ล, เล่นๆนะฮะมันดุมันแหย่วุ่นไปหมดไม่เคยหาความสงบไปไหนโอ๊ยอวดตนคนตัวอุตริไม่เข้าขา่าไม่ทราบว่าความดีมันมีก็ไม่มีอะไรก็ไม่รู้แล้ความดีมีมันไม่ทํามนุษย์เราะมันมีแต่ความชั่วมันมีแต่อะไรเต็มหัวใจมันเพิ่งเอานั้นออกมาระบายระบายถ้าให้พูดอย่างนั้นอยู่ไม่ได้อยากยกตนฮอยากเหยียบหัวคนอื่น อะไรมันถึงอยากชบตนมันอยากเหยียบผูอื่นล่ะมันมีอะไรอยู่ในหัวใจ่ะพี่นาสิถ้ามันดีแล้วไม่ต้องอยากยอกอยากมาทำลา้ความอยากมันมันคืออะไรนี่นาสิเมื่อมันถึงหลักธรรมชาติมันดีจริงๆจริงๆแล้วมันไม่อยากแหละอยากอะไรยังเรามาอยากมาวัดป่ามันต่างอย่างพอมาถึงแล้วเราอยากหาอะไรอื่ล่ะ อยากมาอยู่หรืออยากมาว่าต่าก็อยู่นี่อยู่กระเปาต่างๆแล้วอยากพาอะไรเอาอยากถึงนิพพานพอถึงนิพพานแล้วมันจะอยากไหมนั่นตั้งใจเอาอยากถึงนิพพานอยากถึงนิพพานเมื่อทําจิตให้มันอยากทําจิตให้อยากได้จิตบริสุทธิ์เมื่อถึงจิตขั้นบริสุทธิ์แล้วมันอยากอยู่ไหมอยากถึงบริพุทธิ์เมื่อจิตเมได้ถึงบริสุทธิ์ชัดๆจิตในหัวใจเจ้าของแล้วมันจะอยากไปนิพพานที่ไหนอีกนั่นมันไม่อยากถ้ามันพอตัวแล้วมันไม่อยากแตความหิวโหยทั้งหลายมันอย่างหิวโหยทั้ง ทางโลกอนะไรสคัญทางกิเลสตมันตัวสาคัญห่วยนี่มันทําลายคนด้วยนะใช่หิวทางด้านธรรมะนี่เป็นเครื่องส่งเสริมคนคนมีความอยากทางด้านธรรมะมากเท่าไหรคนนั้นยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรตักตวงเอาบุญกุศลได้มากมายแต่กองหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วเนย่นบันยน่นคืนเข้ามาเพราะความอยากนี้มีกําลังมากนั่นนั่นผิดกับความอยากที่เป็นกิเลสไปไหนถ้าความอยากเป็นกิเลสอยากเท่าไหรมันยิ่งจมลงไปจมลงไป แล้วก็นี่ท่านอะไรองค์หนึ่งย้ายลระ บ, บุเลยอยู่นครอยู่นี่กําแพงเพชรนี่เคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเราไปพูดดูฟังฟังมันแปลกๆอยู่นะก็อยู่ด้วยกันเคยจำมันษาด้วยกันปีนั้นกับผมเนี่ยเวลาไปพูดมันยังยังไปพูดเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์พาฉันบางสาัมปชัญญะเดือดซ้ำไปนะ่ะถ้าองค์นี่นะ่ะทำไมยินไปทําลายท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ขนาดนั้นผมได้ยินมาอย่างนี เขาเขียนจหมามาถามผมผมอ่านดูแล้วคนกําแพงเพชรนั่นแหละเขาไปเคยไปอยู่กับพระองค์นี้เวลานี้อยู่นั่นแหละอายุประมาณสักแปดสิบนี่พอดีเดียวเพราะอายุเกินผมเจ็ดปีผมจาได้พันศาของเกินท่านเจ็ดปี น, น่อายุ ข, ของท่านเกินก เ, เกินผมเจ็ดปีนี่จาได้แ้อยู่กาแพงเพนว่าเคยอยู่กับพ้าแม่กูญาจมาั่นเราแล้วท่านพาั น, นันตาว่างั้นเลี้ยงเลชาภาฉันมังศรีรัตเวลานี้พระองค์นี้ฉันมังงศรีรัตนะ แล้วว่าพ่อแม่ครูอาจารย์พาฉันมองสาวิลาทั้งสิมันเป็นจากอย่างนี้ถ้าเป็นอันนี้พอฉันมาสายวิลาขึ้นมามันจะมีเรื่องแปลกแปกขึ้นมาอย่างนี้ลราตั้งสิทำไมมันพูดขึ้นมาได้ไม่อายหน้าผากโนบ้างเหร อ, อมีครูอาจารย์พาฉันมองสาวิลาที่ไหนเอพระองค์นี้อยู่ด้วยกันปีนั้นปัญญาจามสาบานโมลกับผมนี่องค์หนึ่งแล้วจ้หมายเขาถามมา ต้นไม้ที่เขาอยู่กับพระ อ, องค์นี้แหละเขามาถามมาเป็นความจริงไหมเขาถามมาหาผมผมไม่ตอบเลยผมฉีดจร้งจ้นไม้จะเป็นแบบนั้นไม่เป็นที่ดีมงคลไดเลยแล้วก็เล่าเรื่องของพระ อ, องค์นี้ให้ผมฟังแล้วนี่ที่ผมจับได้ทัดเกิก็คือพระองค์ที่อยู่กับพระ อ, องค์นี้แหละเฉินยหยานมาถามผมถึงเรื่องมังสวิรนันี่รู้สิมันมันอุตตรีไปได้นะแบบอแปลกดีนะคือองค์นี้แหละอยว่ในชั้นมังสาวิรัติที่กำแพงเพชร อยู่วัดอะไรผมดือมชื่อะวัดทรอะไรไมันนี้แหละเรเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่แหละพ่อแม่ครูอาจารย์พาบางทันบากาลยานวางเงินนะเอามาอวดมาขายเพื่อจะเสริมการกทำของตัวให้มันมันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันเด่นพูดง่ายนะแล้วแล้วพระงนั้นที่อยู่ด้วยเนาะฉันหมายมาถามผมที่เล่าเรื่องของพระงนั้นให้ผมฟังหนึ่งผมก็รู้ได้ชัดเจนเลยเดียวอ๋อเป็นอย่างนี้เถอนี่แหละพรง ไอเรื่องมังสเวลาถ้ามันได้ออกช่องไหนแล้วมันจะมันจะทำลายของมันไปเรื่อยๆนี้่น่าทุเล็กจริงๆนะเรื่องเทวทัศน์นี่มันเป็นอย่างนั้นก็เรื่องของเทวทัศนนี่เรื่องมังสายเวลานี่เป็นจากไหนเป็นจากก็เทวทัศน์เคยโลกกับพุทธเจ้ามาครั้งหนึ่งแล้วจนกระทั่งถึงแตกกระจายกันไปอืมพระเทวทัศนเป็นสังเพศไปเลยนะจากนั้นมาก็กลับมาลบ ก, กับพุทธศาสนาของของพุทธเจ้าอีกนี่เห็นไหม เดี e style, ๋ยวนี้กำลังเป็นเอาอวดหาอะไรมาอวดของวิเศษวิโสก็นั้นไม่มีหรอเอาของวิเศษวิโสก็นั้นมาอวดบ้างเป็นไรบ้างเราอยากฟังเรื่องวิเศษวิโสก่อนนั้นอันนี้เป็นของวิเศษวิโสอะไรตั๊กไฟมันก็กินหญ้ามันเห็นกิ้มเนื้อจิ้มันวิเศษวิโสอะไรเน้อเอามาอวดทําไมของอย่างนี้ไฟไฟมันไม่อวดมันไม่กระทบกระเทือนอันนี้เอามากระทบกระเทือนอวดกระทบกระเทือนไปที่ไหนกระทบกระเทือนที่นั่นมันวิเศษแล้วหรือพี่นาซีคำไปที่ไหนกระทบกระเทือน มันมันไม่เสียหรือนี่เป็นทางทำของพระเยาวโอ้เนี่ยันเดี๋ยวมัจะนั่นนิดเนี่ยพอคิดร่วมเพิ่ลงไปนี่มันปากดอย่างนี้มันก็ททำนายเรื่องอนาคตของพระว่าเยเดี๋ยวบรรดาลูกศิษย์ทังท่านแฟงหน้ากันวะจะนินิจกันวาเป็นตอนที่ท่านพูดที่เอาไม้มา ขีดหัวอกขันี้ไม้เหมือนไม้หีบผาพึ่งเรามาขีดมานีบอกขั้นขา้นกระบอกถึงก็ตั้งชื่อน่ะแต่เราไม่จาเป็นก็ต้องไปพูดท่านนั่นท่านนั่นวางท่านนั่งผอมนาพอจุ่มรวมเพิ่ไปปรากฏว่าท่านนั้นกับท่านนั่นวางกันเลยนะออกชื่ออะไรเอาไม้เหมือนกับไม้หีบผาพึ่งเนี่ยไม้มาขีดหอวอกเราหนีไว้ ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมยเป็นอย่างนี้ท่านเรานี่กลมาหาเราด้วยเจตนาบางดีแท้ทำไมจึงมาเป็นอย่างนี้ต่อเราฮะั่นมีเจตนาอะไรไม่กี่วันก็ทราบองค์นนเขาจะเขาจะสร้างองค์เดียนสององค์นั้นเนะ่ี๋่วเอากับผู้ว่านะมาก มหาท่านขอให้ท่านเป็นผู้ช่วยไปสร้างโรงเรียนพระสององค์นี้เมื่อท่านพูดอะไรจะสาเร็จไปหมดฟังกันท่านบอกเบี้ยรายบุญเงินเขาช่วยมาสร้างโรงเรียนเนี่ยพระสององค์ท่านถึงออ๋ออันนี้เองเอาเอาเอาหนีบเอาหีบมาขีบอกเราะนว่ะนี่ยงั้นแล้วไม่กี่วันไดีแสดงมาี่เห็นพระองค์นั้นจริงๆพระององค์นั้นจริงจริงตันว่ะนี่ ฮ่าเี๋ยวนรูปไปก่อนรูป ก, ก่อนต้งง้างก่อนความรูปแต่แฝงนี้หลวงปู่ ม, มั่นนี่เก่งมากนะเื่อนยองพวกปรกิญาวิชาลิเบเจตปริยานนี่ยสําคัญมากหลวงปู่ ม, มั่นรู้เร็วจริงจิงคือรู้จิตใจคนอื่นไงนั้นรู้สึกว่าท่านคล่งองมากนะ ผมเป็นก็น่นเหมอะันเหมอะจรงจิงเนี่ยเพราะผมมันคนดื้อนะี่นะคือคือไม่ใช่ดื้ออะไรนะคือดื้อหาเหตุหาผลคือดื้อหาความจริงไงจะกราบพระบิดดีดนะกราบพระตั้งจักระที่ถามว่าเราอยากจะทดลองท่านจาะมั่นว่าท่านรู้จักจิตของคนอื่นจริงหรือถ้าพระท่านรู้จักจิตจิตจิตเราจริงเราเวลานี้เราอยากจะรู้จิตของท่านว่าท่านรู้จักจิตของเราไหมเรากําลังอธิษฐานจะไปทดลองท่านเวลานี้ ถ้าท่านรู้จริงก็พอไปนี้ให้ท่านให้ท่านใส่เลยเตียงเลยนะให้ตรงกับจุตที่หมายของเราที่เราต้องการเอาขนาดนั้นนะผมมันดื้อขนาดนั้นนะเพราใครๆก็ร่ำลือเป็นเสียงเดียวกันหมดครูบาอาจารย์ที่อยู่กับท่านมาแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันนี่เมื่อเราทดลองนี้เราก็ไปไปโทันทีท่านเียกงางเย็บผ้าเย็บผ้าตะชุนนี่กูเจ๋งเรียกงาเย็บผ้า ก็มีพระเย็บมีได้องค์หนึ่งสององค์แล้วขึ้นไปพอมองเห็นเราตาถลึงโูโโหรูรตายเี่แล้วคนเราอัวนลังหวานี่วะมองดูเราไม่ใช่ธรรมดาเพแล้วเรวาคมีมองตาถล่งเราก็เป็นนั่งกราดไแล้วมันนั่งท่านดูตาท่านแปลกลยอ๋อเอาแล้วนู้นรวดนอดเร็วจริงนะ นี่บพอน้าแล้วข อ, อไอ้นั่นท่านกาลังเงยบ็บนะขอพา้างนมาจะมาเย็บให้ท่า น, น, นาพอแล้วมั้งเงีว่างนี่เลยปังเลยท่านเดียวเฮ้ย่นถอดมือปุ๊บยังม่ยุ่งอันวะเอาละท่านหนักจริงนานนี้หรอกมันเห็นกันจั ง, งนี่ยมันเห็นท่านหนัยงไม่ยุง ung, ่งอันวะเย็บให้ท่านไปท่านหนึ่งเฉยสักเดียวขึน้นนะนวะ คือขอามาให้ชัดเจนอีกนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วนี่แต่มันไม่ชัด <c oughs> แต่เราต้องการันชัดทั้งหลายที่พระท่านปฏิบัติกันนะทั้งหลายทั้งคืเนเลยที้ไหนทั้งหลายที่ปฏิบัติกันพระปฏิบัติกันปฏิบัติภาวนากัน <c oughs> อยากรู้จิตทังเจ้าของว่ามันเป็นยังไงมันคิดยังไงมันปรุงไปยังไงวันหนึ่งคืนหนึ่งอิยาบทหนึ่งหนึ่ง <c oughs> มันรุ่งหย่งุ่นวายกับอารมณ์อะไรอลไจดจ่อดูเจ้าของ ว, า, วางเงินนะเรื่องของเจ้าของจะคิดอะไรเรื่องอะไรมีชั่วประการไหนี่ยิ่งจะให้คนอื่นเข้ามารู้กิตเจ้าของนั่นฟังทีน่นนะมันกรรมาฐานขี้หมาอะไรที่นีโอ้โหยังไงเจ้าของไม่สนใจจะดูกิตเจ้าของเลยว่ามันเป็นยังไงมันไปตกนรกหมอกมาอยู่ตรงไหนตรงไหนบ้างออลุมไหนบ้างนรก ไม่สนใจดูนี่อยากให้แต่อยากให้คนอื่นมาดูจิตเจของดูจิตเจของมันบ้ากาารรมฐานบ้าไงนี่โอ้โหทีนี้ชัดไหมละ่ะฟังสิมันเข้ากันได้ไหครับคําที่เราอยาก <c oughs> ตั้งใจกันร้อยเปอร์เซ็นต์มัน ม, น ม, นมีสงแต่พอนั้นเราก็ยอมเลยนะพออย่างน้นก็ยอมเลยยอมในจิตตัวเดียวนั้นน่ะยอมในเดียวนั้นเลยนะโอ้ยอมเลยยอ ม, ยยอมก็เราไม่ได้โกรธหรือเกลีดกยดท่านคว้าตึมหนักอดไมันก็เรียกว่าเราตักตวงเอาสิ่งที่เราต้องการ ออืเป็นเครื่องพยานว่าท่านรู้จิตของเราจริงไหมนะนะหมั่นน่ะแสดงว่ารู้หมายที่หนิทัดหรือยังนั่นก็หมายว่างั้นเราจึงภูมิใจนะแทนที่จะโกจะจ ะ, จะคิดวิงวิดกลัวท่านอะไรไปไม่นะ่ะมันกลับว่าโอ้ยยอมเลยยอมเลยยอมมันยอมในใจแล้วท่านก็อ่อนลงอ่อนลงนะมันพูดแล้วอ่อนลงท่านก็รู้นะในขณะนั้นมันก็ดูเราอยู่นี่จะว่าไงไรจะว่าจะไปว่าไปไหนอีกก็ท่านก็ดูเราอยู่ทั้งที่พูดอยู่นั่นเรายอมท่านก็รู้ คิแลท่งนก็พูดธรรมดาไทีท่านใส่เบี้ยงเบี้ยงแ่นั้นเองแล้วผพูดธรรมดาพูดธรรมดาก็ไม่เห็นมีอะไรนั่นเห็นมล่ะันใจมันแน่ไหมนั่นาบันันมานกินเยเลยนี่เอาใหนักอยังเนี่ยกินซะ้ยดูดมันเต็มสารในนี่เนี่ยนะมึกไงเต็มคันของมันเป็นยังไงไงฟัดนลงที่ตรงนี้นะ อันนั้นมันเรื่องนอกๆเรื่องรวมๆน่งแล้วไปหาคว้าหาสมัยคนคนนั้นเขาเลื่อมใสเขารบนับถืออะไรไปหาอยากไม่เขาท่าเรื่องของกิเลสมันอยากไปนะถ้าเรื่องของธรรมแล้วต้องเอาตรงนี้อยากรู้อยากเห็นจิจเจาของอยากพ้นทุกข์ฟัดถุลงตรงนี้ถึงเรียกว่าอยากที่ถูกต้องอยากเป็นมากอันนั้นอยากเป็นกิเลสอันนั้เขาเขาลบนับถืออยากก็มันอยากรืออย่างนี้ โด่งดังมันอยากบ้าอยากอย่างนั้นอยากค้นทุกมือยู่แล้วผมถุเลศนะพุ่งกรดีนะมันจะค่อยคืนมันไปคืนไ ป, นไปความขี่เกียดที่คร้านความไม่เอาไหนเป็นเรื่องของถุเลศอยู่แล้วคืนไว้คืนเอาคืนเอาเลในวันเรานี่ก็เหมือนกันนั่น การเดิมีคมนั่งสมาธิภาวนาอันเป็นเนื้อเป็นหนังของสารนาเป็นเนื้อเป็นหนังของผู้ปฏิบัติมันจะ ไ, ไม่มการปฏิบัติต้องดูต้องต้องมีอุบายพลิบแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นทันไหนหลายชั้นหลายขมไม่งั้นไม่ทันมันะบางทีทําอย่างนีมน้มันมันชินใช่บ้างมันถ้าบชินแล้วมันมันก็ชี้เกียดแน่อี๋เมยไ ป, ไไปเรื่อย ไม่ยุ่งอยู่บางทีนี่อะไรกันนี่ไม่เอาให้เ้วไปมึงมามองทำไมน่นนี่นิ น, นกินข้าวกินหมากเราไปก็จะกินนักยกินหน่ิดกิโนี่เอาละพ่อนะเอาขนาดเนานะเอาละพอ่อ1ิบกิโลอะไรอุยอา <laughs> ยอุย้อ้าย่น่ะ